เพื่อมาทําประโยชน์ให้แกบตนเองตลอดระยะเวลาหวันที่ผ่านมาพวกเราไม่ค่อยได้ทําประโยชน์ให้กับตัวเราเรามัวแต่ไปทําประโยชน์ให้กับคนรับใช้เราและทําประโยชน์ให้กับข้าศึกศัตรูของเราเพราะเรามีความหลงถูกหลอกให้ไปคิดว่า คนนับใช้เราเป็นตัวเราถูกหลอกให้ไปคิดว่าข้าศึกศัตรูของพวกเราเป็นมิตรของพวกเราเราจึงต้องมีแต่ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะเราไม่ได้ดูแลตัวเราเลยเพราะเราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นใครนั่นเองถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้จักตัวเราเองเราจะถูกความหลงหลอกให้เราไปคิดว่าคนรับใช้ของเราเป็นตัวเราใครคือคนรับใช้เราก็คือร่างกายนี้เองใครเป็นเจ้านายของร่างกายก็คือใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเราเป็นใจ เราเป็นเจ้านายของร่างกายแต่เราไม่รู้พอเกิดมาลืมตาขึ้นมาเห็นร่างกายก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราทันทีความจริงแล้วมันเป็นคนรับใช้เราอย่างที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้มีความสําคัญที่สุดแต่เรา แทนที่จะดูแลใจเราไม่ดูแลเลยเราไปดูแลร่างกายแทนแล้วนอกจากร่างกายแล้วเรายังไปดูแลข้าศึกศัตรูของเราอีกแทนที่จะฆ่ามันเรากลับมาเลี้ยงมันส่งเสริมให้มันเจริญก้าวหน้าขึ้นไปข้าศึกศัตรูของพวกเราคือใครก็คือกิเลสตัณหานี่เองกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลง ตัณหาก็คือความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่แหละเป็นข้าศึกศัตรูของพวกเราเพราะเวลาเกิดความโลภ<ม>เกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจเรานี้อยู่ไม่เป็นสุขกวนกวยกระสับกระสายวิตกกังวล วุ่นวายใจไปกับความโลภไปกับความอยากแล้วพอไม่ได้ตามใจโลภใจอยากก็เกิดความโกรธขึ้นมานี่แทนที่เราจะทำลายข้าศึกศัตรูเรากลับไปรับใช้ข้าศึกศัตรูเพราะเราคิดว่าเขาเป็นมิตรเราคิดว่าถ้าเราทำตามความอยากแล้วเราจะมีความสุขกัน เราอยากมีแฟนก็ไปหาแฟนมาเป็นแฟนอยากมีสามีอยากมีภรรยาก็ไปหาสามีหาภรรยามาอยากมีเงินมีทองก็ไปหาเงินหาทองมาอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ไปหาตำแหน่งอะไรต่างๆมาอยากให้คนสรรเสริญยกย่องเยินยอก็พยายามไปทำ อะไรให้เขาเห็นว่าเราดีเราเด่นเพื่อเขาจะได้ยกย่องสรรเสริญเราแต่เราลืมไปว่าเวลาเราได้มาแล้วเราต้องรักษามันเวลามันไม่มันไม่อยู่กับเรานี่เราก็จะทุกใจเวลารักษามันเราก็วุ่นวายใจไม่สงบนอนอยู่ไม่เป็นสุข กลัวว่าจะหายกลัวว่าวันทองจะหายกลัวว่าตำแหน่งยศถาบันดาศักดิ์ต่างๆจะหายกลัวว่าจะไม่มีใครมาชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญกลัวว่าจะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสกกลัวว่าจะไม่ได้ดูหนังไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ไปเที่ยวไปเล่นไม่ได้ไปเดิน ไปรับประทานขนมนมเนยเครื่องเดิมชนิดต่างๆเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นความสุขเราจึงไปหามันมากันเวลาหามาได้มันก็เป็นความสุขแต่เป็นความสุขเดียวๆเวลาแต่งงานกันใหม่ๆนี่โอ้โหมีความสุขยังก็ขึ้นสวรรค์วิมานชั้นไหนก็ไม่รู้ อยู่กันไปไม่นานเมอข้าวยังไม่ทันดำก็กลายเป็นนรกขึ้นมาแล้วเกิดการทะเลาะวิวาสกันเกิดการขัดใจกันไม่เอาอกเอาใจกันเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆหรือตอนที่ยังไม่ได้แต่งตอนนั้นโา อ, อยากจะได้อะไรนี่หามาให้ทุกอย่างแต่พอแต่งแล้วทีนี้หาเองเถิดอยากจะได้อะไร <c oughs> ขี้เกียจหาให้นะ นั่นแหละคือความทุกข์ที่ตามมาแทนที่เราจะสร้างความสุขให้กับเราด้วยการฆ่ามันเรากลับไปทาตามความปรารถนาของมันแล้วเราก็เลยต้องมาน้าตาตกไงกันมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มากันได้แฟนมาก็ต้องทุกข์กับแฟนได้สามีได้ภรรยามาก็ต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยา ได้บุตรได้ที่ดามาก็ต้องมาทุกกับเขาได้ลาบยศสารเสริญ ม, มาก็ต้องมาทุกกับเขาได้ลูกเสียงกลิ่นรสโภชพะมาก็ต้องทุกข์ทุกข์เพราะว่าต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆเวลาเวลาได้มาแล้วใช้ไปหมดไปแล้วก็ต้องหามาใหม่ได้เงินทองมาเงินเดือนมาพอใช้ไปหมดก็ต้องกลับไปหาหมา ต้องทำงานอยู่เรื่อยๆทำไปจนวันตายถ้าเกิดตกงานก็เดือดร้อนอีกไม่มีเงินทองเข้ามานี่แหละเราไปรับใช้ค่าศึกษตรูของเราเพราะความอยากความโลภนี้เขาจะพาเราไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้น พอเราไปหลงคิดว่าเขาเป็นมิตรเป็นเพื่อนเราทำตามเขาส่งเสริมเขาช่วยเขาแล้วเขาจะให้ความสุขกับเราแต่เป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ไม่ฉลาดพอเห็นเหยื่อก็คุบพุบเอาเลยโดยไม่รู้ว่าตะขอเบ็ดที่มันติดอยู่กับเหยื่อนั้นมันจะเกี่ยวปากเอาไว้ คนที่ไปตกปลาเนี่ยเขาจับปลาได้เขาเพราะว่าเขามีเบ็ดเขามีเหยือ่อติดอยู่ปลายเบ็ดปลามันไม่รู้เห็นเหยือ่อก็คิดว่าอาหารอันโอชะก็งับเข้าไปเลยฮุบเข้าไปเลยพอฮุบ ป, ปั๊บเขากระตุกเบ็ดเบ็ดมันก็ติดคอแล้วก็ลากปลาขึ้นมาเข้าหม้อแกงต่อไปความอยากก็แบบเดียวกันให้ความสุขแบบอาหาร เหยื่อที่อยู่ติดปลายเบ็ดอาหารความสุขเดียวเดียวเวลาได้ไปดูไปฟังไปทำอะไรก็ดี อ, อกดีใจมีความสุขพอผ่านไปแล้วก็หายไปหมดเหลือแต่ความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากไปเที่ยวอยีกทาไปกี่ร้อยครั้งกี่ล้านครั้งก็เหมือนกัน มันจะเป็นแบบนี้ไปทุกครั้งไปเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วก็เป็นความทุกข์แบบเบ็ดติดปากปาเพราะจะต้องไปวุ่นวายกับการหามาใหม่หามาแล้วก็ต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษาพอรักษาไม่ได้หายไปก็เสีย อ, อกเสียใจพอแฟนจากเราไปไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใด ก็เสีย อ, อกเสียใจจากพ่อเขาเบื่อเราจากพ่อเขาตายจากเราไปมันก็จากเหมือนกันไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องจากเราไปหมดเพราะไม่มีอะไรถาวรนั่นเองสิ่งต่างๆที่เราหากันมาให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นของชั่วคราวนี่แหละคือความหลง ความไม่รู้ของพวกเราทำให้พวกเราแทนที่จะมาดูแลตัวเราหาความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเราหาทรัพย์สมบัติที่แท้จริงให้กับตัวเราเรากลับไปหาให้คนใช้หาให้ข้าศึกศัตรูเพื่อเขาจะได้มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราชีวิตของพวกเรานี้ ทุ ก, กันแทบทุกวันเลยต้องมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ทุกข์ให้กังวลใจแล้วก็จะทุกอย่างนี้ไปจนวันตายตายแล้วก็ไม่หมดตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกใหม่อีกเพราะว่าถ้าตราบใดยังมีการส่งเสริมข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาอยู่กิเลสตัณหานี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวลาร่างกายตายไปมันก็ลากใจของเราให้ไปเกิดใหม่อีกและก่อนจะไปเกิดใหม่ก็ลากเราไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าเวลาตายไปบาปมีกําลังมากกว่าบุญมันก็จะลากเราไปรับผลบาปผลบาปก็คือการไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปตกนรก พอบาปมันอ่อนกำลังลงไม่สามารถดึงไว้ดึงใจไว้ให้อยู่ในอบายได้เราถึงจะถูกลากให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอลืมตาปั๊บก็เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมา ท, าทันทีอยากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วเราก็กลับมา ทุกกับชีวิตของเราต่อไปอีกรอบหนึ่งชีวิตของเราเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบแล้วถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอน ที่สอนให้พวกเรามาวัดกันมาดูแลใจของเรากันมาเรียกดูใจของเรามาสร้างทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆให้แก่ใจของเรามาสร้างราภยศเสริญสร้างความสุขให้กับใจของเราวิธีสร้างก็คืออย่างที่พวกเรามาทำกันนี่แหละเป็นวิธีสร้างประโยชน์สร้างความสุข ให้กับตัวเราอย่างแท้จริงจะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอาริยะเจ้าขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือได้เป็นพระอารหันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าได้พระนิพพานที่เป็นเหมือน พระบรมราชวังไว้เป็นที่อยู่อาศัยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีบริษัทมีบริวารมีคนมาคอยดูแลรับใช้เรายกย่องสรรเสริญเรามีมหรสพบันเทิงต่างๆมาให้ดูอย่างอิ่มหนำสำราญใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราทําตามพระพุทธเจ้าเราจะได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ทําตามปล่อยให้ใจของเราไม่ได้รับการดูแลก็เท่ากับปล่อยให้ใจของเราไปเป็นขอทานนั่นเองพวกที่ไม่มาวัดไม่มาทาบุญไม่มารักษาศีลไม่มาปฏิบัติธรรมเป็นพวกที่ปล่อยประละเลยเหมือนกับไม่เลี้ยงดูลูกของตนเอง ปล่อยให้ลูกของตนเองโอดยากขาดแคลนตัวเองมัวไปเลี้ยงลูกของคนอื่นมัวแต่ไปเลี้ยงลูกของคนอื่นลูกของตนไม่เลี้ยงดูปล่อยให้อดยาปล่อยให้สู้พร้อมปล่อยให้เป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยปล่อยให้ไม่มีการศึกษาไม่ไปร่าเรียนไม่มีความรู้ไม่มีอะไรโตขึ้นก็อยู่แบบขอทาน นี่คือใจของผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลถ้าไม่ได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่อยากจะทำทานกันไม่อยากจะรักษาศีลกันไม่อยากจะภาวนาปฏิบัติธรรมกันเพราะเราเห็นว่ามันไม่เห็นได้อะไรมีแต่เสียทำทานก็มีแต่เสียเสียเงินเสียทองเสียเวลา วันนี้มาเสียเงินเสียทองแล้วยังต้องมาเสียเวลาแล้วยังต้องมานั่งฟังสิ่งที่ไม่อยากจะฟังสิ่งที่กิเลสตัณหาไม่ชอบฟังไม่อยากจะฟังเพราะกิเลสตัณหามันไม่อยากเสียมันมีแต่อยากได้อยากได้เงินมากๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่พอมาวัดนี้ต้องทำตัวเป็นเหมือนอ คนรับใช้ต้องมากราบพระมานั่งอยู่กับพื้นต้องมาเสียเงินเสียทองมาเสียเวลาที่จะเอาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่คือสิ่งที่คนที่ไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรจะไม่มายวแลตัวเอง จะไปดูแลคนรับใช้คือร่างกายแล้วก็ไปดูแลข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาต่างๆ <c oughs> เพื่อให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับเราทุกวันนี้ที่เราทุกข์เราร้องห่มร้องห้นี้มันไม่ได้เกิดจากใครเลยนอกจากข้าศึกศัตรูของเรานี่แหละคือกิเลสตัณหามันมาทำให้เราร้องห่มร้องไห้กันเวลาเราพัดพากจากกัน ใครมาทำให้เราร้องห่มร้องหาก็คือตันหาความอยากไม่ให้พัดพากจากกันนั่นเองอยากจะให้อยู่กันไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีใครบ้างที่ไม่พัดพากจากกันมีใครเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันต้องพัดพากจากกันไม่วันใดก็วันใดไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้าเรา ตัดความอยากไม่พัดพากจากกันได้เราจะไม่เดือดร้อนเช่น <_ d ance> ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เหมือนกับเราไปยืมของเข้ามาพอเราใช้เสร็จเราก็เอาไปคืนเขาเท่านั้นเองเราก็ไม่เห็นต้องร้องหง่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะเรารู้ว่า มันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของยืมของมาเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็เอาไปคืนเขาเราก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่ถ้าเราเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาได้ของเข้ามาใช้เรารู้สึกดีติดอกติดใจไม่อยากจะคืนเจ้าของทีนีแหละเวลาเข้ามาทวงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่อยากให้เอาคืนของเข้าไปนั่นเอง เนี่ยตัวที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่การพัดพลาดจากกันตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือตัวความอยากไม่พัดพลาดจากกันเพราะความหลงเพราะไม่พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราย่อมมีการพัดพลาคจากกันเป็นธรรมดาไม่มีใครคอยเตือนใจสอนใจพอได้อะไรมาปั๊บนี้กอดไว้แน่นเลยขววงเต็มสุดๆเลย ได้แฟนมานี่ก็หวงสุดๆได้สามีได้ภรรยามาก็หวงสุดๆได้ลูกได้สมบัติได้อะไรมาก็หวงสุดๆเลยแล้วเป็นยังไงเวลาที่เขาต้องจากเราไปก็ต้องร้องโผมร้องไห้กันเพราะแทนที่เราจะมาดูแลใจของเราด้วยการมันสอนใจให้ปล่อยวาง ไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ด้วยการใช้ปัญญาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆแม้แต่ร่างกายของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียเขาไป ถ้าเรามีปัญญาคอยเตือนใจคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเรามาตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวเราก็ต้องไปตัวเปล่าๆ เ, เราอย่าไปหวงอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะเวลาจากกันมันจะทุกข์ทรมานใจนี่แหละค่าศึกศัตรูของพวกเราที่พวกเราแทนที่จะฆ่ามันด้วยปัญญาเรากลับไปรักษามันไปดูแลมัน ไปเป็นองคลักให้กับมันด้วยการหวงอย่างสุดๆได้อะไรมาแล้วก็หวงไม่ยอมให้ใครใครมาแตะไม่ได้แล้วเป็นยังไงหวงอย่างไรรักษาอย่างไรในที่สุดเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีต่อให้มีระบบป้องกันภัยระดับไฮเทคขนาดไหนก็ตามไม่มีวันที่จะป้องกัน ร, รักษาสิ่งต่างๆ อยู่กับเราไปได้ตลอดเราให้มีบริษัทรอปพอมีอะไรมาคอยคุ้มครองดูแลรักษาเราให้มีเบี้ยมีประกันภัยกี่ร้อยชนิดกี่พันชนิดก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งการพัดพากจากกันของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ได้ดังนั้นเราอย่าไปเสียดายอย่าไปหวง เราควรจะมาหัดทำใจเตรียมตัวพัดภาคจากของต่างๆจากบุคคลต่างๆจะดีกว่าแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนเวลาใครจากเราไปเราจะไม่เสียใจไม่ร้องห่มร้องไหง้เวลาทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองหมดไปเราก็จะไม่เดือดร้อนวิธีจะไม่เดือดร้อนก็คือ เราอย่าไปใช้มันอย่าไปหักใช้เงินใช้ทอใช้แต่เงินเท่าที่จำเป็นเช่นใช้สำหรับซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าไว้สวมใส่ใช้แค่นี้ก็พอแล้วเราจะไม่เดือดร้อนแล้วทั้งไม่มีเงินซื้อข้าวไม่มีเงินซื้อยาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน ไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวก็ตายไปเหมือนกันตายแล้วก็ไม่ต้องใช้มันอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาที่ไม่มีเงินที่จะเลี้ยงดูร่างกายได้ก็คิดว่าถึงเวลาที่ร่างกายมันจะต้องตายไปก็เท่านั้นเองนี่คือวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทอง อย่าไปยึดมันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งมีก็ใช้มีก็ใช้ไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายไปถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นกรรมของร่างกายไปร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราเราไปเดือดร้อนแทนมันทำไมร่างกายมันก็เป็นคนใช้ของเราดีๆนี่เอเามีร่างกายไว้คอยรับใช้เราพาเราไปตามสถานที่ต่างๆพาเราทำนู่นทานี่ เวลาเราอยากดูเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปดูเวลาเราอยากฟังเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปฟังแต่ถ้าเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ต้องใช้ร่างกายก็ได้คนที่ไม่ใช้ร่างกายก็คือคนที่ไม่มีความอยากนั่นเองถ้าไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทาน ก็ไม่ต้องมีร่างกายเนี่ยที่พระพุทธเจา้าให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อที่จะมาหัดอยู่แบบไม่ต้องใช้ร่างกายให้มาสร้างความสุขที่ใจสามารถที่จะมีได้โดยที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกายความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการปล่อยวาง ความอยากต่างๆนี่แหละที่จะทำให้ใจมีความสุขที่จะทำให้ใจไม่ต้องไปพึ่งร่างกายร่างกายจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับถ้าเราทำบ้านเองได้ทำงานในบ้านของเราเองได้เราก็ไม่ต้องอาศัยคนรับใช้จะมีคนรับใช้อยู่หรือไม่อยู่เราก็ไม่เดือดร้อนเรากวาดบ้านเองได้ถูบ้านเองได้ ซักผ้าได้ทำกับข้าวได้ทำอะไรของเราเองได้คนใช้จะอยู่ไม่อยู่ไม่เห็นจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเราทำเองไม่ได้เวลาคนใช้ไม่อยู่นี่เราจะเดือดร้อนเวลาสงการนี่คนใช้ขอลากลับบ้านห้หกวันนี้เจ้าของบ้านวุ่นวายสิใครจะทำกับข้าวให้ฉันกินใครจะซักผ้าให้ฉันใครจะกวาดบ้านถูบ้านให้ฉัน ก็เพราะว่าขี้เกียจนั่นเองไม่หัดทําอะไรด้วยตนเองมัวไปใช้คนใช้พอคนใช้มันไม่รับใช้เราขึ้นมาเราก็เดือดร้อนเนี่ยเราขี้เกียจภาวนากันขี้เกียจทําใจให้สงบกันก็เลยต้องไปพึ่งร่างกายถ้าเราขยันนั่งสมาธิทําใจให้สงบขยันเจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากต่างๆ เราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายความสุขที่เกิดจากการภาวนาความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี้ความสุขที่เกิดจากการป้องกัน ร, รักษาใจให้สงบด้วยการฆ่าค่าศึกศัตรูคือกิเลสทันหาที่จะมาคอยทําลายความสงบความสุขของเรานี้ถ้าเราทกยานทำงานนนี้ เราก็จะสบายร่างกายจะมีหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่เป็นปัญหาร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเรามีความสงบเป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคเป็นเครื่องนุ่งห่มของใจนี่แหละ พวกเราอย่าขี้เกียจกันอย่ามัวไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันอันนี้เรียกว่าเป็นความขี้เกียจไม่ยอมพึ่งตนเองชอบพึ่งร่างกายพึ่งตาหูจมูกรื่นกายเพื่อให้ความสุขกับเราแต่เราไม่เคยคิดว่าร่างกายมันจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่มันจะรับใช้เราไปได้นานสักเท่าไหร่เวลามันไม่สบายใครจะรับใช้เรา เวลามันแก่มันทำงานไม่ไหวใครจะรับใช้หรอเวลามันตายจากเราไปใครจะมารับใช้ดูแลเราตอนนั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจอยู่ก็จะอยู่แบบขอทานเมื่อไม่มีร่างกายก็ต้องอาศัยร่างกายของคนอื่นให้เขาทำบุญอุทิศให้กับเรานี่เพราะความเกลียดค้า นือความที่ไม่สนใจที่จะเข้าหาพระพุทธศาสนาไม่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าวิธีที่จะเลี้ยงดูตัวเราให้ถูกต้องนั้นเลี้ยงดูอย่างไรวันนี้เราได้มาวัดได้มาฟังวิธีเลี้ยงดูที่ถูกต้องแล้วคือให้ทาทานอยู่เรื่อยให้รักษาศีลให้บริสุทธ แล้วก็ให้ภาวนาทําใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาคอยฆ่าตันหาฆ่าศึกศัตรูที่จะมาคอยทําลายความสงบที่ได้จากการทําสมาธินี้ถ้าเราปฏิบัติได้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆกับร่างกายของเราเพราะเราไม่ได้พึ่งเขาไม่ต้องใช้เขา เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแล้วนั่นเองนี่แหละคือเรื่องของเราที่เราควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ว่าเราคือใครกันแน่ให้รู้ว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราเราเป็นใจเราอยู่ที่ใจและข้าศึกษาตรูที่จะมาทำให้ใจของเราทุกข์ก็คือกิเลส ต, ตัณหา เราต้องฆ่ามันให้ได้ทำลายมันให้หมดแล้วก็อย่าไปอาศัยร่างกายเป็นคนรับใช้เราปล่อยมันไปปลดปล่อยอิสระให้ร่างกายมันเป็นอิสระไม่ต้องมารับใช้เราแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติมา และได้ปลดเปลื้องจิตใจออกจากการพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆและร่างกายและได้ทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วใจของท่านจึงเป็นใจที่เต็มเปลี่ยนด้วยบรมมสุขคือปรมาสุขขงังใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติแบบเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้า แระพาะอาหลานตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติจึงขอฝากเรื่องของการมาดูแลชีวิตของเราตัวของเราจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอบุญพระศีลัตน์ไตรและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญท่านในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้งแกรงปอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ